จิตที่โฟกัสยากสับสนตลอดเวลาเสี่ยงไปอบายแม้ไม่ได้ทำผิดคิดร้ายสัญญาณเตือนที่รู้ได้ด้วยตัวเองจากข้างในว่าชีวิตเสี่ยงกับการไปอบายทั้งที่ระหว่างมีชีวิตไม่ได้ทำผิดคิดร้ายไม่ได้ทำตัวเป็นอันตรายกับใครคือจิตที่โฟกัสยากสับสนง่าย สงสารตัวเองแบบไม่ต้องมีเหตุผลอยากงอมืองอเท้าทอทุระยอมปล่อยตัวเองให้ตกอยู่ในโลกแห่งความเหงาเศร้าอันเป็นภพเป็นสภาวะหมนมืดชนิดหนึ่งไม่พร้อมยิ้มใส่ไม่พร้อมเปิดรับแสงกุศลสวยจิตที่โฟกัสยากจับสนตลอดเวลาจะเคว้งคว้างตอนอยู่และหลงทางตอนตายด้วยฐานจิตแบบนั้น ยามตื่นจะมีอารมณ์ประมาณวันวันไม่รู้จะทำอะไรไปทำไมยามหลับจะมีอารมณ์ประมาณไรจุดหมายเปลี่ยนฉากเลอะเทอะไปเรื่อยเลื่อนลอยทั้งขณะอยู่ในฝันเลื่อนลอยทั้งขณะลืมตาตื่นเช่นนั้นณขณะก่อนตายก็จะตั้งจิตเป็นกุศลยากเหมือนตอนง่วงอยากหลับถูกดูดเข้าสู่นิมิตฝันหลงป่าแบบห้าไม่อยู่ เพื่อให้เกิดความกระเระตือรือร้นที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นลองบอกตัวเองว่าถ้าตายแล้วไม่สูญยังต้องอยู่กับสภาวะทางใจแบบนี้สมควรเรียกภพภูมิแบบนี้ว่าอะไรเทวดาหรือเปรตณ์ขณะที่จิตติดล็อกอยู่กับสภาพนั้นแบบออกมาไม่ได้จัดเป็นหนังตัวอย่างสั้นๆก่อนชมภาพยนต์จริงที่ยาวกว่านั้นเยอะ หากยังมีสติบอกตัวเองถูกว่านี่เรายังเป็นมนุษย์ยังมีสภาพร่างกายที่เคลื่อนไหวไปหาแสงกุศลด้วยตนเองได้คุณจะเริ่มมีเหตุผลใหม่ๆในการควบคุมและสั่งการตัวเองให้ทําสิ่งที่ควรทําตรงหน้าทิ้งสิ่งที่ควรทิ้งไว้ข้างหลังที่เคยถูกล็อกให้รู้สึกว่าไม่สามารถทําอะไรได้นั้นเป็นแค่แรงดึงดูดอันทรงพลังจากอบาย ถ้าตอนนี้ไม่พยายามเอาชนะมันมันก็ชนะคุณตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้ว